แล้วก็ช่วงนี้ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27จะมีคณะครูครูโรงเรียนเขตสพสพปสพทสพปลุงพ่อก็จำไม่ได้บ้านผือมันมีอยู่สี่อำเภออำเภอบ้านผือนายูงน้ำโสมกุดจับ สี่อำเภอในระดับขั้นผู้บริหารตั้งแต่พออพอ อ, อเขตแ ล, ลออแล้วก็ ร, งรองพออแล้วก็โรงเรียนรองพออโรงเรียนเขาจัดให้มาอบรมเขาก็เลยจะมาเลือกอาวัดของหลวงพ่อวัดป่านาคําน้อยที่แรกหลวงพ่อก็คิดว่าจะให้ไปอยู่ทางบ้านสวนพอไปดูดูแล้วก็บ้านสวนคงจะไม่พร้อมมีแต่ผู้หญิงอีกต่างหากไม่กี่คน นันเป็นภาระจะได้ขนของไปอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตวตาไม่จริงเขาก็จะเตรียมของใช้ของเขามาไม่ให้เดือดร้อนอาหารการบริโภคเขาจะจัดการเองของใช้ก็บางส่วนที่เราได้หาให้กขาพกเสื้อพวกอะไรที่นั่งเครื่องที่นอนหมอนมุง้งเขาจะจัดเตรียมมาเองที่เขาเก่าไว้ก็ 1 9อเก้าสิบห้าคนก็มากพอสมควรนะมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งหมดลักษณะเข้าคอดลักษณะอย่างนั้นอะ่ะแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยมีนะวัดของเรายังไม่เคยมีที่จะให้คนอยู่นานถึงสามสี่วันมีแต่ผ่านไปผ่านมาเป็นทัวร์มาแล้วก็หลวงพ่ออบพระเทศแล้วก็ออกไปแต่คราวนี้ครูบาอาจารย์ได้เข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อ หลายๆวัดเขาก็ทําวัดเราทดลองหนสิถ้าไม่ลองถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้อันนถ้าลองดูได้มันจะเป็นยังไงมันจะยุ่งยากขนาดไหนมันจะเป็นยังไงมันได้ผลไหมแต่ถ้าว่าเราเไม่คิดพัฒนาคู่ขนเชลยมันก็เหมือนกับเราไม่วางทายาธ ทายาทของเราก็จะไม่มีทายาทไม่ใช่ทายาทหลวงพ่อนะทายาทของพระพุทธศาสนานะเราต้องคิดให้ไกลเพราะว่าครูบาอาจารย์เป็นทรัพยากรบุคคลสมควรอย่างยิ่ยงที่จะต้องได้รับการอบรมเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจอะไรหรือว่าต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปก็รู้สึกว่า จะเบา บ, บางไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้รับทดลองนะเป็นการขั้นทดลองแต่ไม่รู้จะดําเนินการอย่างไรก็ยังหามข้อที่ว่ากําหนดกฎเกณฑ์ควบคุมผู้คนที่มามากขนาดนี้จะควบคุมได้ได้ด้วยวิธีอย่างไรก็คงจะตั้งเป็นหมวดหมู่คงจะตั้งเป็นกลุ่มดูแลกันอย่างนั้นแหะจากนั้นก็หลวงพ่อก็คงจะให้ไปให้ธรรมะ ทั้งคราวหรือจะอให้พระสงฆ์ในวัดเป็นผู้พานำไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็ให้เตรียมพร้อมเทพของหลวงปู่องค์ไหนที่เทพแล้วเป็นที่เข้าใจถ้าไม่มีจริงๆก็เอากองหลวงพ่อกองหลวงพ่อมีตั้งหลายร้อยกันเลือกซิที่จะเข้ากับการ เขาคอสเรื่องการประชุมในค ร, ครั้งนี้ได้ก็เอามาเปิดเอามาให้ฟังเนี่ยพราะเขามาหาหลวงพ่อนมาวัดหลวงพ่อก็มาเพื่อการศึกษาที่วัดหลวงพ่อถ้าเขาจะไปวัดอื่นเขาก็ต้องไปเพื่อการศึกษาวัดอื่นอาจารย์องค์อื่นอันนี้เขาเข้ามาวัดของเราเราจะไปให้เขาฟังที่อื่นก็ยังไงอยู่แต่ว่าก็ควรจะมีบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเทศนาของหลวงตาอันนี้ก็อยากจะให้เขาฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยคือมาตรฐานแต่ของหลวงพ่อเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นพื้นฐานสำหรับคู่คนเข้ามาศึกษาใหม่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องผู้เข้ามาใหม่เหมือนกำลังยังเรียนกอไกยังไม่จบไปสอนศัพ์จักยากให้เขาพอได้ยินแล้วก็ คงจะใส่หัวอีกเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะถึงศัพ์ยากๆเราก็ต้องสอนให้เขารู้ซะก่อนเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานในเมื่อเขามีพื้นฐานดีแล้วรู้จักเรื่องพระพุทธศาสนาดีแล้ว เ, เขาก็จะเข้าสู่ส่วนลึกเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต่อไปแต่ขนาดกฎและเบียบศีลและวิใน เรื่องการเป็นอยู่ร่วมกันคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็ยังไม่เข้าใจเราจะไปสอนเรื่องสมาธิทําจิตใจให้สงบปัญญาเพื่อความหลุดพ้นมันก็คงอย่างนั้ น, นได้ไดยากเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องพูดตั้งแต่เรื่องการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันซึ่งศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมถ้ามีคนพื้นฐานดีแล้ว มีศรัทธาคือความเชื่อเป็นเบื้องต้นแล้วกนะ้าวต่อไปก็จะเป็นศรัทธาขึ้นเรื่อยๆแต่ข้างต้นก็ไม่มีศรัทธาอยู่แล้วนะล้วจะไปศรัทธาถึงเบื้องสูงนั้นก็คงจะยากอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องการเข้ามาของครูบาอาจารย์คราวนี้ก็หลวงพ่อก็เป็นขั้นทดสอบทดลองดูว่าจะได้ผลอย่างไร้าได้ผลแล้วก็อืมก็เป็น ที่พอใจแต่ว่าถึงยังไงหลงพ่อก็เป็นที่พอใจอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันขนาดโรงเรียนประถมนแต่ทั่วประเทศเนี่เขตอำเภอบ้านผือเขตสพทเขตเนี่แหละเขตสี่อุดอรเนี่ยติดอันดับสิบของประเทศนะหลวงพ่อพอได้ยินจุดนี้เออรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ใส่ใจสนใจในการสอน พราะว่าเข้ามาหาหลวงพ่อทีลไหลวงพ่อบอกคณะผอครูบาอาจารย์หลวงพ่อบอกว่านี่นะพวกเรามีหน้าที่สอนต้องสอนให้ดีที่สุดอย่าไปคอร์รัปชันเชิงวิชาการนะไม่ใช่ว่าสอนให้โรงเรียนทําอย่างหนึง่งไปสอนเป็นส่วนตัวสอนอันนั้นอีกส่วนหนึ่งอันนั้นเปล่คอร์รัปชันเชิงวิชาการเนะพราะนั้นอย่าได้มี วนนั้นขอให้สอนให้เต็มที่ในโรงเรียนแล้วก้อนเงินเดือนของเราถ้าจะว่ามากก็มากนะแต่จะเปรียบเทียบกับชาวบ้านเขาที่ทํางานทําไร่ทํานาทารัว้วทําสวนเงินเดือนของข้าราชการครูก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับผู้แทนรัฐมนตรีมกับยางวาดเราก็น้อยเกินไปถ้าเราเปรียบเทียบกับคนต่ำกว่า เราก็มากพอสมควรน่าจะอยู่ได้แต่ถ้าหากวา่าเราให้ถามดูตัวของเราสิทุกคนให้ถามดูสิถ้าหากว่าเราทำงานอยู่อย่างเดียวนี้ทุกวันนี้การสอนอยู่เดียวนี้การทำงานอยู่เดียวนี้ถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมให้ถามอย่างนี้นะ แต่ถ้าคนอื่นถามจะโกรธให้เขาถ้าหากว่าตัวเองถามตัวเองบอกว่าถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทำงานอย่างนี้นี่แหละเพราเมื่อถามแล้วโอ้ใช่บางทีเราเดินไปเดินมาเราไม่ได้ทาอะไรเลยแต่เงินเดือนวันหนึ่งเท่าไหร่วันนี้กี่พันบาท น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือขอให้พวกเราคิดคิดนะ เ, เงินเงินภาษีพี่น้องประชาชนถ้าพวกเราช่วยกันคิดปรับปรุงกายใจของเราเป็นคนดีเป็นข้าราชการที่ดีพวกเราประเทศชาติก็จะกระโดดก้าวกระโดดยิ่งกว่านี้แต่ทุกวันนี้พวกเรามีแต่หน้าที่ไม่ใช่ค่าข่าไม่ใช่หน้าที่เงินเดือนของข้าน้อยเกินไปถ้าว่าเงินเดือนน้อยเกินไปก็ไม่เห็น จะบังใครบังคับให้เราอยู่ในตำแหน่งนี้เราก็ลาออกก็ได้ตำแหน่งไหนที่เงินเดือนมันดีกว่าหรือเงินมันตอบแทนมันมากกว่าเราออกมาทำนาซะมากีดสวนยางซะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่มีใครบังคับเราแต่เราทำงานหน้าที่นี้เราก็ต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สดุดเราต้องคิดอย่างนั้นนะอันนี้เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อพูดเป็นกลาง อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันในฐานะพระสงฆ์บางทีก็รวยบางทีก็จนบางทีก็ได้บางได้ไม่ได้บางบินทบาทแต่หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่พอใจหลวงพ่อออกมาข้างนอกซะแต่หลวงพ่ออยู่อย่างนี้หลวงพ่อก็ต้องทําดีที่สุดทําหน้าที่ให้ดีที่สุดรักษาศีลกฎระเบียบธรรมวินยัยต้องรักษาให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตัวปกพ่อง ให้อยู่ตามหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นพระเราก็ทําตัวเหมือนคาระวะเอาลัดเอาเปียบเขามันก็ไม่ใช่เราก็ต้องอยู่อย่างพระส่วนข้าราชการก็เหมือนกันอยู่ในตําแหน่งไหนเราก็ต้องทําหน้าที่ข้าราชการหน้าไหนดีที่สดุดพ่อค่าประชาชนก็เหมือนกัน ให้เคารพกติกาเคารพกฎหมายให้อยู่ในกรอบของศณณีลธรรมอย่าล้ำเส้นกันปูนง่ายง่ายให้อยู่ในกรอบกฎหมายเขียนไว้ยังไงผลประโยชน์ของแต่ละคนแต่ถ้าว่าเราเป็นราชาดอนทามาหาเรื่องชีพยอย่างนี้นู่นเอาไปขายยาบ้ากัญชายาฟินให้คนอื่นกินแต่มันลูกตัวเองไม่ให้กินครอบครัวตัวเองไม่ให้กิน แต่ให้คนอื่นกินอย่างเนี้ยเป็นยังไงคนอื่นเขากินแล้วมันเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาตัวเองก็คงวเราะได้เงินเขาอีกต่างหากเพราเขาโง่อย่างงั้นใช่ไหมแต่มาถูกกับตนเองเข้าไปแล้วตัวเองมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเอาความคิดของเขามาใส่เราเอาความคิดของเราไปใส่ใจเขาเหมือนกันเน่ยมนุษย์มนาต้องการความ ส, มสงบผาสุก เช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเรารักกันไว้ดีกว่าไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปแล้วเอาคุณงามความดีมาสู่กันดีกว่าจะเอาความหายยนตะหรือความชั่วช้าลามกมาใส่กันมีแต่เอาสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไปอยู่นสถานที่ใดร่วมเย็นเป็นสุขทั้งหมดแต่มีแต่เอาเรื่องลามกจกเปรตมาใส่กันกับอย่างว่าเนเผากันทั้งบ้านทั้งเมือง ใครก็ว่าใครถูกทั้งนั้น่ผลที่สุดมันแฝงด้วยผลประโยชน์ลึกๆกลุ่มของข้าพวกของข้าผลประโยชน์ของข้าฮแล้วก็ไม่ใช่พวกของข้าเนี่ยลังแกเบียดเบียนจะฆ่าให้เขาให้ตายทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีไม่มีอะไรมาจะให้เราอีกคล้ายๆกันบีบเขาอย่างนั้นผลประโยชน์ของพวกคนกลุ่มหนึ่ง พวกคนกลุ่มหนึ่งก็เสียผลประโยชน์ในเมื่อพวกคนกลุ่มหนึ่งเสียผลประโยชน์พวกกลุ่มหนึ่งก็ได้ผลประโยชน์นะมันให้เข้าคนหนึ่งได้ก็คนหนึ่งเสียเหมือนกับ ก, การทํามาค้าขายด้วยกันคนหนึ่งได้กําไรแต่คนหนึ่งก็นั่นแหละเสียเปรียบขาดทุนย่อยยับแต่คนหนึ่งหัวเราะทั้งวันคนได้กําไรได้เปรียบเขาแต่คนที่เสียเปรียบอเป็นส appel, ิ่ร้องห่มร้องไห้ เสียอกเสียใจถ้ามันมากนะแต่ถ้าหากว่ามันไม่มากก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเองพลาดท่าเสียทีไปแล้วก็มแตรว่ายวนยวนต่อหลายครั้งหลายหนก็จนอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามีผู้มีคุณธรรมในจิตใจแล้วจะไม่เอาเปรียบเขาจนเกินไปนี่แหละศีลธรรมถ้าเราประพฤติตนได้อย่างนี้ถ้าหาว่าครูบาอาจารย์เข้ามาอบรม ในวัดวาศาสานารู้เรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพื้นฐานอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปสอนเด็กเด็กก็มีคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบในการเป็นอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะค่อยไปทีละน้อยละน้อยแต่จะเปลี่ยนปรปปับทีเดียวก็คงจะยากเหมือนกันนะนการบริหารประเทศต้องบริหารคนก่อนถ้าคนในชาติ คนในชาติไทยไม่ดีมีแต่ขี้ขโมยโผยโจรมีแต่โจรผู้ร้ายมีแต่คนลามกจกเป ت, ็ดเิ็นแตะคนไม่ดีการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองขอรับชงรับชั่นเต็มบ้านเต็มเมืองสลุก็คือคนไม่ดีสลุปล้วไม่ดีนั่นคืออะไรไม่ดีนั่นคืออะไรอันนี้เราต้องศึกษาว่าไม่ดีนั่นคืออะไรมิจฉาทิฐินั่นคืออะไรสามมาทิฐินั่นคืออะไร คนที่ไม่ดีนั่นคืออะไรคนดีนั่นคืออะไรถ้าเราแยกออกได้แล้วคนดีนั่นคืออะไรคนไม่ดีคืออะไรแล้วก็มาใส่ตัวเองข้าไปเจ้าจะเป็นคนดีข้าไปเจ้าจะไม่เป็นคนเลวเนี่ยถ้าแยกได้แล้วนั่นเราจะเป็นคนดีคนดีไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันแยกไม่ออกไม่จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จะว่ายังไงอีกเหมือนกันเพราะเหตุไยเพราะมันไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าจะว่าไปก็คือโง่ โง่จนเกินไปจนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วอันนั้นมันก็ช่วยไม่ได้จากนั้นก็ต้องหาคนจูงไม่นคนตาบอดนะท่านต้องมีผู้นำเป็นผู้ชักจูงบางทีคือจูงไปในทางที่ผิดอีกไปอีกเหมือนกันนั่นนะแต่จูงไปในทางที่ถูกต้องกับเป็นศีลเป็นธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิก็ดีไปคนที่จูงเพราะนั้นประเทศชาติหลวงพ่อว่าต้องได้รับการศึกษาพัฒนาคนก่อน จึงจะไปได้ยังจะเจริญแต่หลวงพ่อเคยพูดหลวงพ่อบอกว่านี่นะขอรับชันจะหมดได้เนี่ยแต่มันไม่ใช่หมดได้เร็วๆนะไม่ใช่หมดหมดได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าจะหมดไปได้เลยมีทางเดียวหลวงพ่อมองมองดูแลทางไหนคือเกษตรกรกับจดทะเบียนเป็นเกษตรกรพ่อค้าก็เป็นจดทะเบียนเป็นพ่อค้า ทำข้าราชการกับจดทะเบียนเป็นข้าราชการตอนนี้เกษตรกรก็ดูแลควบคุมตัวเองอีกนะกลุ่มของตนเองอันไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบพ่อค้าก็ควบคุมตัวเองอีกได้เปรียบเสียเปรียบข้าราชการก็ควบคุมตัวเองอีกได้เปรียบเสียเปรียบนะถ้าว่าพวกเรากลุ่มคุมของใครของเราเีแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาตั้งเป็นกลุ่ม ใครเสียเปียบมากน้อยอยังไงแค่ไหนเทเนี้มันแหละขอรับชั่นมันจะหมดไปพ่อค้าก็จะไม่กินชาวบ้านข้าราชการก็ไม่กินพ่อค้าพ่อค้าก็ไม่ซูฮกกับข้าราชการจนเกินไปข้าราชการก็ไม่เหยียบพ่อค้าชาวนาต่างคนก็ต่างมีกลุ่มมีกําลังด้วยกันหลวงพ่อว่านถ้าหาว่าบริหารจัดการอย่างนี้ได้เนี่ย คอรับชั่นเนี่ยคงจะหมดไปค่อยๆหมดไปนะไม่ใช่หมดไปทีเดียวหรอกแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรมากอัอย่างว่าเนี่ยคอรับชั่นอืมในครั้งพุทธการยังมีเนพระพุทธเจ้ายางพูดเป็นชาดกนะขนาดคนขึ้นไปตรวดมีดใช่ไหมไอ้ค่ายๆบเป็นขุนพลใหญ่เป็นนี่แหละเป็นพลหิตตาจานเนี่นะเวลาจะเอารับ พระแสงดาบเอามาเก็บไว้ในในพระคลังหลวงเป็นอาวุธหลวงเหมือนกับคัดเลือกอาวุธนนะุ่กวันเนี่ยคือคัดเลือกอาวุธแต่สมัยนะั้นอาวุธคือดาบอาวุธคือดาบถ้าว่กคนใดตีมาเหล็กแข็งดีแต่ไม่ไม่มีใต้โตให้โุโลหิตตาจานเข้ามาก็มาตรวจ ตัวตัวกชักดาบออกมาแลวก็มาดมที่คมดมนั่นดมนี่แล้วกันไป เ, เป็นอัปมงคลไม่สมควรจะเป็นดาบอยู่ในคลังหลวงออกไปสู้ศึกสงครามก็แพ้เขาไม่ได้ไปออกไปแต่คนไหนเอาเอาเงินให้เอาเงินยัดให้ประมาณดมดงเออดดาบบริษัทนี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาตีดี ตีถูกเวล่ำเวลาดวงชะตาเข้าขั้น น, ะนี่แหละออกมาเป็นดาบทองพักคลังไปสู้รบตบศึกนในชนะทั้งนั้นใครเข้าเป็นโหราศาสตร์ในตัวไงที่เขาก็จะแก้เค็อยังไงเนาจะเอาชนะนกับโปโลหิตตาจยานได้นะ มันมีพวกหัวหมอเหมือนกันนะแต่นี้เขาก็ตําพริกเอาพริกตำตำใส่ไปตําพริกผงผงฝุ่นฝุ่นนะจับยัดเข้าไปในฝักฝักมีดนะแล้วเอามีดสวมไว้ถสวมไว้สวม ไ, ไ, ไ, ไว้ทีนี้ก็โปรโหิตชอบกลมคมมีดใช่ไหมพอจากนั้นก็ถอดมาได้ก็ -dom ม, มมีดดช่ไหม dom คมมพริกมันเข้าจมูกได้เลยเออพอเจ้ามือนกับเจ้า พอจามฟิดเขาไปปากตัวเองไปฟาดกับคมมีดที่มันคมคมเลยเออพอในสุดได้ปากแหว่งทั้งสองข้างเนี่ยอันนี้ก็ยังมีในในพระไตรปิฎกหลงพ่อนึกอ่านดูแล้วก็คำขำเหมือนกันมันเนี่ยมันคลอนลับชั่นมันไม่ใช่มีอยู่ในเมืองไทยมันเกิดตั้งแต่สมัยสร้างโลกน่ะือจนมีนิทานมาในพระไตรปิฎกเนี่ยขนาดดมคมมีดก็ยังมีอย่ไงเนี่ย มีดนี่เป็นอปมงคลมีดเป็นมงคลมีดนี่เอาดาบนี่เอาไปสู้ศึกสงครามต้องชนะเพราะเขาตีถูกเวล่ำเวลาถูกดวงชะตาของเมืองนมันก็ว่าอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยพราะเหตุไรเพราะตัวเองได้เงินคอร์รัปชันเขาแล้วนะสิ่งเหล่านี้เนะี่ที่พูดให้ฟังนี่ก็คือทุกยุคทุกสมัยเพราะนั้นอย่างเมืองไทยของเราเนะี่ยหลวงพ่อว่ามีส่วนจะจะทํำยังไงจริงจัง ประเทศชาติของเราจรึงจเจริญรุ่งเรืองไปได้ทุกวันนี้อย่างพวกเราท่นทั้งหลายได้เห็นได้ยินนั่นะหอทุกหัวหัวละแห่งจะทำยังไงละ่ะมันเป็นประเพณีกันไปเสียแล้วนะแต่ว่าถึงยังไงก็ทุกเราพวกเราทุกคนเป็นคนดีก็แล้วกันเป็นคนทรัพยากรของชาติอยากหลวงพ่อจะพยายามทำให้ดีที่สุดสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมทานรู้แล้วไม่เป็นธรรม สิ่งเหล่านั้นเราควรจะงดเว้นควรจะไม่ไม่เอาละอันนี้แหละอันนี้เราศีลและธรรมจเริยธรรมมันไม่ได้อยู่ในไกลไม่อยู่ไกลอยู่ในพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนะอยู่กับพระอยู่กับโยมอ่ก่อนสำคัญก็ให้เป็นคนดีสรุปแล้วนี่แหละคณะครูบาอาจารย์จะเข้ามาวันวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่บสามจะกลับวันที่ยี่สิบเจ็ด กรกฎาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อจะรับเป็นจะวันรอดแรกก็ใช่ที่เป็นข้าราชการมาพักนานขนาดนี้แต่ก่อนมีแต่พักคืนเดียวเป็นร้อยก็มาพักคืนเดียวแล้วก็กลับนะาฟังเทศกลางคืนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าตักบาตรเสร็จแล้วก็กลับแต่คราวนี้จะอยู่ทั้ง23ถึง27ว่าสี่คืนสี่คืนหวัน ว่ายอย่างนั้นนะนี่ตรงพ่อก็เลยเอ า, เอาทดลองทดลองถ้าไม่ร้องก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงคนเห็นแต่วัดอื่นแต่หลวงพ่อก็ภาระของหลวงพอ่อแต่ละวันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันอีกเหมือนกันคนมาเกี่ยวข้องอย่างหลวงตาในท่านไม่รับเลยพลเพราะหลูกตาหลวงพ่ออูเรารับคนที่มาเกี่ยวข้องแต่ละวันเนี่ยกัพอแรงอยู่แล้วเราจะมารับสอนเป็นคอตเป็ น, คปนคแคสเอเดโอไม่เอาไม่เนี่ ตำลับตำลาเรื่องวัฒนธรรมของเราเราสอนไว้มากมายเอาไปฟังเอาไปศึกษามาอยู่ที่นี่ก็นด้นะมาฟังมาศึกษาเนะี่ยมันเราไม่ใช่เด็กกว่ะจะมาจับแข้งจับขาให้เดินยังกลมได้ยังไงเสอนให้แล้วก็ไปนําไปไประพฤติปฏิบัติสิวะไปหลวงตาท่านพูดอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือหลวงตานะแต่ทีอย่างไงพวกเราก็นํามานํามาเป็น แบบฉบับมาเป็นตัวอย่างเอานาะมาฟังเหมือนกันนะลงตาพูดเป็นธรรมนะรับพรอรุอมตนาให้พร